ว่าเราจะเพิ่มระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมไม่แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งตอนนี้มาร์กสักมาร์กเรายังไม่ได้ถึงผลก็ยังไม่ได้ดาวโลอยู่มั้งแล้วก็พระนิพพานของแต่ละบุคคลเราก็ยังไม่ได้ทําให้แจ้งไอ้ตรงนี้ก็เลยเชื่อมโยงฝากข้อคิดไว้หนึ่งว่าในเมื่อเรามองอย่างนี้เทียบเคียงกับใบสัตว์แล้วมนุษย์ก็น้อยอยู่ดีก็คงจะตรงประเด็นบ้นนนานิดหนึ่งพระโภชนานะ เ <c oughs> จริญพรยอมอยอมเห็นด้วยหรือยังว่าเป็นมนุษย์นี่แสนยากเห็นด้วยกับใคร <c oughs> นะจริงๆมันไม่ใช่แสนยากนะยอมไอ้แสนเนี่ยมันเป็นเป็นตัวเลขที่น้อยเกินไปนะมันไม่รู้กี่โกรดกี่ล้านยากอะนะ มันแสนยากเนี่ยเราใช้คำที่ยังถือว่าน้อยเนาะแสนยากนะเราไม่รู้สึกหรอกว่ามันยากสำหรับเราเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดกันมาเนี่ยตื่นมาแต่ละวันเราก็เป็นมนุษย์ทุกครั้งทุกวันใช่หไหมโยมนะพอท่านพอพระพุทธเจ้ามาบอกว่าเป็นมนุษย์นี่ยากนะพอพระพุทธศาสนานี่ยากนะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันยากเลยสาหรับเรา นะเพราะว่าเราตื่นมาแต่ละวันเราก็เป็นมนุษย์นะแล้วก็อยากพบพระพุทธศาสนาเมื่อไหร่<ๆ>ก็ไปเปิดในตู้พระไตรปิฎกนะทุกๆบ้านของโยมที่มานั่งอยู่ที่นี่ยจะมาคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะมีพระไตรปิฎกบางบ้านจะมีหลายชุดด้วยซ้ำไปใช่ไหมโยมนะทั้งบาลีทั้งไทยทั้งฉบับเกา่าฉบับใหม่นะทั้ง4ี่บห้าทั้งเก้าบ็ดทั้งร้อยเล่มนะเราก็มีกันเยอะนะ เราก็บอกจะรู้สึกว่ามันไม่ยากนะเอาละนะก็จะพูดในประเด็นที่ที่บอกว่ามันยากกันแล้วกันว่าเคยอยากจะฝากข้อคิดนิดหนึ่งให้กับพวกเราว่าที่บอกว่าเป็นมนุษย์แสนยากหรือล้านยากกันแล้วแต่นี่นะว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะถ้าพวกเราจะช่วยกันตอบหน่อยจะดีนะโยมว่าทำไมเป็นมนุษย์เนี่ยมันจึงแสนยากหรือล้านยากเนะี่ยทำไมโยม ออะไรจริงๆยากเอายมบาศก์ยมอุบาสิกาก็ได้เอา้าอืมเป็นมนุษย์แสนยากเพราะว่ามันเกิดด้วยกำลังของกุศละกรรมนะหรือว่าไม่ใช่เฉพาะกุศละกรรมนะกุศลละจิตด้วย กุศลจิตตอนใกล้าตายนี่สําคัญที่สุดเลยโย่ใช่ไหมถึงเราจะมีทั้งกุศลทั้งอกุศลเราก็ทํากุศลกันบ่อยๆเนี่ยกุศลลรกามเนี่ยแต่ว่ากุศลแจิตตอนใกล้าตายเนี่ยสําคัญนะที่มันจะเปิดทางให้กุศลละการรมให้ผลหรือเปล่านะทีนี้กุศลแลจิตตอนใกล้าตายนี่ยโยมว่ามันเกิดง่ายหรือเกิดยากนะอาตมาพยายามจะบอกโยมที่เข้ามาฟังทำบ่อยๆบอกว่าโยมจะไปเข้าใจว่า เวลาเรานึกอยากจะทําจิตให้เป็นกุศลเนี่ยเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยพอเรานึกอยากจะทําจิตให้เป็นกุศลเราก็ไปเปิดพระไตรปิฎกเปิดเทป พ, พระไตรปิฎกฟังนะคิดข้อธรรมที่เราจําได้เนี่ยมันก็เกิดกุศลและจิตได้นะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะทําอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้นโยมันหลายเท่านะเราจะต้องเจอกับข้าศึกสําคัญก็คือความทุกทุกขวเวทนาเนี่ย ตัวนี้เป็นด่านใหญ่เลยโยมเพราะว่าทุกเนี่ยมันเป็นอาหารของปฏิฆะของโทสะใช่ไหมอา่าอย่าว่าแต่ทุกขนาดนั้นเลยแค่มดมาต่ายเล็กๆน้อยๆเราก็รู้สึกงุกขนขินรำคาญอใจงุขนขินรำคาญอย่างนั้นเลยโยมถ้ามันไปเกิดตอนใกล้ตายจะไปไหนนะนี้ขนาดเราก็ทําบุญกันทุกวันทุกวันนะชมลมไฟทําวันพุธก็เถอะอไฟทําวันพุธเอาเข้าจริงๆสืบไปสืบมาแล้วก็ต้องบอกว่าชมลมไฟทําทุกวันใช่ไหม ต่อให้ไฟทําทุกวันก็เถอะนะแต่ตะมายืนยันเลยว่าตอนนั้นเน่ยมันจะมีอีกหลายเท่าลอลไรยองอุปสรรคที่จะทําให้ใจเราเกิดกุศลได้ยากเนี่ยนะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตะมานี่เจอมาหกครั้งแล้วอยอนะเจอกับไอ้ความความทุกข์ใกล้ตายเนี่ยหกครั้งแล้วสับสนเหมือนกันนะอือตอนแรกๆสับสนไอ้เราจะเอาไงดีนะคิดไปคิดมาเอ ศีลเราบกพร่องหรือเปล่าเนี่ยนะกลัวศีลจะกลัวใจจะแวบไปถึงจุดที่ศีลบกพร่องนี่สึกดีมั้งเนาะนี่คือคือมันจะปล่อยชีวิตแล้วไงคิดว่าตายแน่แล้วอะ่ะนะคิดว่าน่าจะตายแน่แน่ก็เลยคิดว่าเอ๊่น่าจะสึกดีกว่าแล้วจะสึกยังไงเพราะว่ามันเดินไม่ได้นะมันปวดมากๆใช่ไหมก็จะพยายามจะเกีย่ยวกะบกายคลานไปหาเพื่อนที่อยู่กุฏิข้างๆนะ้ท่านอาจารย์มาหาปยอมนะกุฏิข้างๆกัน ว่าจะไปสึกกับท่านพยอมนะตอนแรกเนี่ยมันสับสนขนาดนั้นยอไอ้ความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะนะแต่ในที่สุดนะในที่สุดก็บอกอืมไม่เป็นไรหรอกกุศลเราก็ทําไปเยอะแล้วนะกรรมกุศลเลือกกุศลมันก็ต้องทําหน้าที่ของมันนะเราก็ต้องวางใจแล้วเรื่นั้นทีนี้นะถ้าออะไรมันจะให้ผลอ่นะ คื อ, อยังไงชีวิตเรามันก็ต้องสลับอยู่แล้วต้องสุกติทั้งทุกข์กติตราบใดที่ยังมีวัตตาสงสารเนี่นะในที่สุดก็เลยเอาบูชาพระเจ้าโดยเพศบรรพชิตนี่แหละให้มันตายคาเพศบรรพชิตเนี่ยนี่ก่อจะคิดได้อย่างนี้นะยมปั้มกันเป็นชั่วโมงนะนะแล้วยมคิดดูอะเวลาคนเราจะตายเนี่ยมันจะอิสระภาพไหมอย่างโยมที่มีประกันชีวิตดีๆมีลูกมีหลานมีฐานะดีๆนี่นะ สายอะไรก็ไม่รู้เลยโยงเลยยองเลยยังไม่หมดพูดให้เขาออกให้ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีแรงจะพูดแต่ถามว่ามันลาคานไหมโอยมันไม่ลาคาญได้ไงไม่รู้มันเด็บเข้าช่องไหนบ้างใช่ไหมโยงนะทั้งแขนทั้งจมูกทั้งศรเข้าไปในคอก็ไม่พูดก็ไม่ออกทีนี้นี่เลยยอมต้องเตรียมไว้เลยนะว่าพอไปถึงภาวะนั้นขึ้นมาเนี่ยเราจะทําจิตให้เป็นกุศลได้ยังไงนะต้องซ้อมไปทุกๆวันนซ้อมซ้อมตายไว้ทุกๆวันนะ อย่างที่พูดตอนที่มาบรรยายเรื่องสังฆกถาหรื อ, อกามาทินว่าเนี่ยอย่าเป็นกาโง่ใช่หัหยโยนะเราจะต้องฝึกเป็นเป็นกาฉลาดนะก็คือปล่อยทุกวันเนี่ยปล่อยสร้างศบช้างเนี่ยอย่าไปเกาะมันตอนเย็นก่อนหลับก่อนนอนลองฝึกปล่อยดูซิว่าถ้าสมมติว่ากรรมที่นำความเป็นมนุษย์มาให้เราในชาตินี้มันจะสิ้นสุดตอนนี้เนี่ยเราจะปล่อยอะไรที่เรามีอยู่เ น, นี่ยทันไหม นะเพราะถ้าเราเกาะมันอยู่นะมันจะเป็นเหมือนสร้างศพช้างที่จะพาจมลงในห่วงมหาสมุทรคืออบายภูมิหรือว่าวัตสงสารนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกุศลทำยากกว่าเพราะคนพาลมีเยอะบัณฑิตมีน้อยคนที่เราที่จะที่จะทำกุศลได้เนี่ยต้องอาศัยหลกักๆสองอย่างใช่ไหประโตโคลสการฟังธรรมจากกัลยาณมิตร แล้วก็อัชชะโยนิสมะนัสิการต้องมีมนัสิการโดยชอบในตัวเองด้วยบางคนพระเทวทัตฟังธรรมเราก็ไม่มีมนัสิการโดยชอบก็ได้โทษไปอย่างนี้ทีนี้ในโลกเราวัตถสงสารที่เป็นไปเนี่ยคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรคนที่จะชวนเราทำบุญเนี่ยมันน้อย ม, มีมีมีให้ได้น้อยมาก น, นี่ขนาดมีศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนะลหลายคนเนี่ย ชีวิตกว่าจะเข้ามาในพระพุทธศาสนาได้เนี่ยไม่อยากไม่ไม่ต้องพูดขยายมากก็ได้ใช่ไหมโยมทุกคนเนี่ยเห็นโยมที่พาไปหาของเมื่อวานเนี่ยก็พูดแต่ก่อนก็สา ร, รพัดสา ร, รเพใช่ไหมโยมอะไรที่มันไม่รู้เราก็ทําสา ร, รพัดไปเนี่ยเนี่ยวัดวาอารามพระพุทธเจ้าคําสอนของพุทธเจ้าก็มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะแล้วทำไมชีวิตเรามาตั้งห้าสิบปีแล้วจึงเจอใช่ไหมโยมนี่ยังดีนะยังยังทันตอนเนี้ยนะถ้าเกิดไปทันตอน ใกล้ๆจะไปแล้วเนี่ยนะจะไปทําอะไรได้เนี่ยไปเห็นพระไปเข้าใจว่าเป็นอภิมงคลอีกใช่ไหมครับเอาเนะก็ก็คงจะได้เหตุผลเรียว่ามนุษย์นี่ยากเพราะว่ากุศลเนี่ยปัจจัยมันหาได้ยากนะเราจะไปคิดว่าธรรมะหรือว่าสิ่งที่ดีๆที่จะมาแนะนำํำพวกเราเนี่ยมันจะมีให้อย่างนี้ตลอดนะมันมีได้ยากอย่างนะเราก็อ่านะ กุศลจิตตอนใกล้ตายก็เกิดได้ยากเพราะว่ามันต้องสู้กับเวทนาซึ่งต้องเป็นคนที่ฝึกไว้อย่างดีเลยทีเดียวนะฝึกวิจัยฝึกวิเคราะห์ฝึกทำความเข้าใจข้อ า, าให้ดีทีเดียวนะลองสังเกตเราแต่และ ว, วันเนี่ยมดมาตาย่ยยุงมากัดบ่อยๆเนี่ยเราลาคานไหมเนะี่ยถ้ายังแย่แสดงว่ายังไม่ผ่านนะนะยมการสอบเนี่ยมันมีสอบสอบเก็บคะแนนใช่ไหมแล้วก็สอบปิดภาคชีวิต อยอปเวลาเราไปเรียนในหนังสือเนี่ยมันก็จะมีสอบสอบเก็บคะแนนแล้วก็สอบปลายภาคนะในช่วงเนี้ยเรากําลังสอบเก็บคะแนนกันนะคะแนนเก็บถ้ามีเยอะมันก็อุ่นใจหน่อยใช่ไหมสอบปลายภาคเพิ่มเยอะสักหน่อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้ น, นปลายภาคเนี่ยเอาให้ดีๆนะนะตัวใครตัวใครอย่างอาจารย์นวลเอาแล้วนะก็คงจะพูดแค่นี้แหละยอปอาจารย์เซม ฉะนั้นนะครับที่บอกว่าเกิดได้แสนยากทั้งที่มนุษย์มีเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือเราอย่าไปกําหนดเอาว่าเพิ่มขึ้นแล้วบอกว่ามันมันยากนะครับไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยน ะ, ะคือเพิ่มขึ้นเราจะบอกว่ามันง่ายนะครับมันหมายถึงยากก็ได้คือถ้ากรณีถ้าเราไปเทียบเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพราะว่ามดปวกก็ดีเนี่ยนะก็คงจะมีประชากรมากกว่ามนุษย์มากก็คงจะเพิ่ม มากกว่ามนุษย์หลายเท่านะครับเรียกว่ารังลังหนึ่งนี่ก็มากกว่าลังของมนุษย์นะหรือถ้าเรานึกถึงพุทธพจน์นะครับที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับพวกสัตว์คือสิ่งที่ไม่มีที่สุดเนี่ยนะครับคือหมายความว่ากําหนดไม่ได้เนี่ยก็มีอยู่4ประการด้วยกันก็คือจักรวาลนะครับเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่ามีจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะสัตตนิการ์โยนันโตก็คือหมู่สัตว์เนี่ยกำหนดไม่ได้ว่ามีจำนวนเท่านั้นเท่านี้ มนุษย์เนี่ยยังกำหนดได้นะครับยังกําหนดได้ว่ามีประมาณหกพันล้านใช่ไหมครับซึ่งถ้าพูดถึงหมู่สัตว์แล้วเนี่ยมันกําหนดไม่ได้เลยว่ามีเท่าไหร่นะครับมากมายไกลกองเหลือเกินดังนั้นการกําหนดได้เนี่ยก็แสดงว่ามันยังถือว่ามีไม่ ไ, มได้มากอะไรนะครับเมื่อเทียบกับสัตว์โลกทั้งหลายแล้วก็พรุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้เองนะครับที่คาตรัสกับพิสูจ์โดยการที่พระองค์นั้นนะได้ใช้ปลายพระนขานะครับก็คือเล็บเนี่ยตักผงดินขึ้นมา แล้วก็ถามพิสูุทั้งหลายว่าระหว่างผงดินที่อยู่ปลายเล็บกับดินบนพื้นแผ่นดินอันไหนมากกว่ากันพิสูุ์ทั้งหลายก็ตอบว่าดินบนพื้นแผ่นดินมีมากกว่านะครับส่วนดินบนปลายพนะกขาพระเจ้านะั้นมีประมาณน้อยองค์ก็เลยอธิบายนะครับว่าสัตว์ที่ตายแล้วมาสู่สุคติโลกสวรรคนะ์มีประมาณน้อยนะครับเหมือนดั่งดินที่อยู่ในปลายพนะกขาแต่ว่าไปสู่อบายทุกติวิธิบาณนะโลกนั้นมีประมาณมากเท่ากับแผ่นดิน เพราะเหตุอะไรก็คือเพราะเหตุว่าการทากุศลเนี่ยไม่ใช่เป็นของที่จะกระทําได้ง่ายนะครับเพราะว่าต้องมีเหตุมีปัจจัยอย่างที่ท่านอาจารย์สุผลได้บอกคือมีปรโตโตโคสานได้การฟังพระสัตธรรมนะครับฟังแล้วก็ต้องมีโยนิโสมรติการด้วยนะจึงจะไปเหตุให้เราเกิดกุศลได้เพราะว่าการเกิดในสุคติเนี่ยต้องเกิดจากกุศลจะเกิดจากอกุศลไม่ได้ทีนี้ชีวิตของพวกเราส่วนใหญ่เนี่ ย, ยก็จะอยู่ด้วยความประมาทสวนมาก โอกาสที่เราจะทํากุศลเนี่ยมันจะต้องอาศัยการการคิดคํานึงการครบคนนะครับคือมีเหตุปัจจัยมากมายโดยเฉพาะถ้าเป็นคารวะแล้วเนี่ยก็เรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญบางคนเรียกว่าแทบจะหาวเวลาคิดว่าจะทําบุญอย่างไรเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายเลียต้องอาศัยคนอื่นบอกบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการไปเกิดในสุกตินั่นแนหะต้องโดยอัลลอฮฺแห่งบุญและบุญก็ไม่ใช่เกิดเองต้อง อาศัยปัจจัยหลายอย่างนะครับในการที่จะให้เราทําบุญได้ฉะนั้นที่ยากก็คืออย่างนี้แหละครับเพราะว่าการเกิดกุศลเนี่ยไม่ใช่เป็นของง่ายนะครับตอนนี้ในคําถามข้อต่อไปครับท่านอาจารยนะ์พระดำหลักนะครับที่ว่าผู้ที่ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบิดาเป็นต้นเนี่ยนะครับมิใช่มีได้โดยง่ายนะหมายความว่าอย่างไรครับท่านอาจารย์ ผูไ้ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นวิดานะครับเมืเ่อเวลาเขาแจกพัดนี่เขาต้องให้พระเถระก่อนเว <c oughs> ลาแจกปัญหาธรรมะทำไมให้อวุโสก่อน <c oughs> <c oughs> พระบรทธเจ้าแสดงเรื่องของความที่การเกิดมาของเราเนี่ยไม่มีใครที่ การที่จะไม่เคยเป็นบิดามารดาหรือว่าบุตรธิดาเป็นพี่ชายน้องชายกันนี่หาได้ยากนะแสดงให้เห็นว่าการวรว่าตายเกิดของเรานี่มันนับประมาณไม่ได้ท่านใช้คําว่าเบื้องต้นที่สุดเนี่ยนะแม้บุคคลที่ตามไปอยู่เนี่ยนะพิจารณาด้วยปัญญาเนี่ยก็ยังรู้ไม่ได้ดังนั้นการแสดงเรื่องของเบื้องต้นว่าเรามาจากไหนเราเกิดมาเมื่อไหร่จิตดวงแรก เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่อันนี้พระพุทธเจ้านี่จะไม่ไม่แสดงเป็นคําถามที่เป็นโมฆะคําถามไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนชีวิตของเรานี่มีทุกข์มากหรือสุขมากอยู่ตอนนี้มีทุกข์มากการที่เราจะไปรู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดมาตั้งแต่ที่แรกเกิดมาเมื่อไหร่นะมันจะทําให้ทุกข์ของเราลดลงไหมก็ไม่ทําให้ทุกข์ลดลงเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นว่าว่า การที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยมันนับประมาณไม่ได้ในพระสูตรในสังยุตตนิการทิฏฐา น, นาวักนี่ท่านแสดงไว้ถึง20สูตรนะเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่าตายเกิดของเราเนี่ยอุปมาต่างๆนะเหมือนกับเอาแผ่นดินทั้งแผ่นดินเนี่ยมาปั้ น, นเท่าเม็ดกระเบาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยพ่อเรานี่พ่อของพ่อเรานี่พ่อของพ่อของพ่อเราแผ่นดินนี้หมดในชมพูทวีปนี้พ่อของเรายังไม่หมดเลย นะเอาต้นไม้ทุกต้นเนี่ยมาตัดนะเท่ากับสีนส่นิ้วสี่นิ้วนี่นะแล้วก็เอาม า, มาบอกว่านี่แม่เรานี่แม่ของแม่เรานี่แม่ของแม่ของแม่เราตัวทั้งต้นไม้ใบหญ้าหมดในชมุมพลตวีปนี้แม่ของเราก็ยังไม่หมดน้ําตาของเราที่หลั่งไหลมานะในการเวียนว่ายตายเกิดในวัด ต, ตะมาถ้าเทียบกับน้ําในมหาสมุทรอันไหนมากกว่ากันนายโยมอยากเข้าใจว่าเป็นมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกนะเป็นมหาสมุท นาะที่อยู่รอบทวีปทั้งสี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกว้างใหญ่มากนะแสดงให้เห็นว่าวัดตังที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยมันนับประมาณไม่ได้แล้วการเวียนว่ายตายเกิดในวัดตังของเราเนี่ยมันมีความสุขมากหรือทุกมากโยมว่าโยมเกิดในภนะพภูมิเบื้องสูงมากหรือว่าเบื้องต่ํามากนะสูงมากหรือต่ํามากกว่ากาันอา้าว แล้วทำไมมาโผล่ที่นี่ได้ล่ะเพระภูมิทั้งหมดมีถึงสามพภูมินะแต่ว่าผู้ที่เกิดในพ่ภูมิเบื้องสูงเนี่ยจะมีน้อยพ่อภูมิที่เป็นปานกลางเนี่ยก็จะมะีน้อยเหมือนกันแต่ว่าพภูมิเบื้องต่ำเนี่ยก็คืออบัยภูมิสีเนี่ยในนรกนี่ท่านบอกว่าสัตว์นรกนี่แออัดยัดเยียดกันเหมือนกับผงตะไบที่อยู่ในทนานเหล็กเนี่ย นะผงตะไบยองเคยเห็นไหมมันอยู่ในทนาคเนี่ยนะอยู่ในกระป๋องเนี่ยนะมันจะมีช่องว่างอหรือยุลปะมีมากขนาดนั้นนะนะแต่ว่าเราก็พ้นมาได้เนื่องจากกุศลกรรมที่เราบําเพ็ญมาแต่ว่าจะประมาทได้ไหมว่าจะไม่กลับไปเกิดในเที น, นั้นอีกนะก็ประมาทไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการแสดงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ก็เพื่อใจให้เห็นว่า ถ้าเรายังเวียนว่ายใจเกิดอยู่ตราบใดยังไม่ยอมหยุดวัฏจักรเนี่ยนะก็จะมีแต่ทุกข์ที่เพิ่มพูนขึ้นเท่านั้นเองการแสดงถึงเรื่องของวัตตักเหล่านี้ก็เพื่อให้เราเนี่ยเห็นทุกข์เห็นชีวิตความเป็นจริงว่าการเกิดแก่เจ็บตายจะต้องพัดพร่าต้องประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักนะได้ของที่ไม่ชอบใจต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่สนุกเลยนะมันไม่น่าเพลิดเพลินเลยมีความเพลิดเพลินอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าความทุกข์ นะซึ่งเราลืมไปแล้วพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่ามาเตือนให้เท่านั้นเองว่าความจริงแล้วมีมแต่ทุกข์นะทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่นะทุกข์เท่านั้นแหละที่ดับไปใช่ไหมนอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรมันก็จะแสดงโดยในยะต่างๆนะทั้งโดยในยะของพระสูตรโดยในยะของพระพิธรรมให้เห็นความจริงว่าความจริงแล้วเนี่ยมันมีสภาวะธรรม2อย่างก็คือนามกับรูปธรรมะส อ, อย่างนี้แยกก็เป็น5ก็ได้ก็คือ โรปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือขันห้าซึ่งเราก็ยึดถืออยู่แล้วก็ยึดมั่นด้วยใช่ไหมขันห้าอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับตัวเรานี่เราก็คอยยึดไปด้วยใช่ไหมนะความยึดนั้นก็เริ่มเบาบางลงเบาบางลงจนกระทั่งอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้เข้าไปยึดแต่ความจริงยังยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์อยู่รู้ปะก็ยังยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์ด้วยนั่งความไม่รู้ น, นั่นเอง มันกาแสดงเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดพบชาติต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสลดใจให้เราเห็นว่าการเวียนว่ายเหล่านี้มันไม่ได้นําทุกมาให้หรอกนะควรแก่การที่จะเบื่อหน่ายควรแก่การที่จะใครกําหนัดควรแก่การที่จะหลุดพ้นได้แล้วแต่ว่าทําไมถึงยังไม่หลุดพ้นล่ะเพราะอะไรเพราะว่ายังเห็นว่ามันมีสิ่งที่น่าเพลิดเพลินอยู่มากใช่ไหม เรายังเห็นอสาทะในกามอยู่เห็นอสาทะในขันห้าอยู่ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นการที่จะออกจวกตะไม่ง่ายเลยนะจะต้องเป็นเรื่องการสั่งสมบา ร, รมีนะบา ร, รมีที่ดีสุดก็คือการฟังธรรมะนี่แหละจะเป็นเหตุที่ทําให้เจริญด้วยบา ร, รมีทั้งหลายเราจะรู้แง่มุมแล้วก็เริ่มรู้จักตัวเองว่าเราบกพร่องบา ร, รมีอะไร บา ร, รมีทั้งสิบนี้ไม่ต้องบําเพ็ญบา ร, รมีอะไรบ้างได้ไหมนะไม่ต้องหลอกทานเนี่ยปัญญาทําให้หลุดพ้นทานไม่ต้องให้หลอกได้ไหมไมีได้นะบา ร, รมีเหล่านี้แหละเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสอกุศลต่างๆที่จะเป็นเครื่องขัดขวางทาให้ไม่ถึงฝั่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นก็ต้องบำเพ็ญบา ร, รมีทุกบา ร, รมีนั่นแหละ อันนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องไม่รู้เหตุผลไม่รู้ปฏิปักษ์ธรรมของธรรมะต่างๆนะกิเลสอกุศลต่างๆเหล่าเนี้นะเราก็ไม่สามารถที่จะไปกำราหรือว่าละอกุศลเหล่านั้นได้เราก็ต้องเจริญไตรสิกขาทั้งหมดต่างแต่บารมียังไงทราบไหมไตรสิกขากับบารมีต่างกันยังไงเจริญไตรสิกขานี้บรรลุมาผลนิพพานได้ไหมได้แล้วบารมีล่ะเจริญบารมีนี้บรรลุมาผลนิพพานได้ไหม ตรงไตรสิกขากับบา ร, รมีต่างกันยังไงต่างกันยังไงต่างกันตรงอัธยาศัยกับประโยคะนะถ้าเจริญไตรสิกขาในปัจจุบันเป็นประโยคะนะถ้าบา ร, รมีที่สะสมมาเต็มประโยคะนี่จะทําให้บรรลุสองส่วนนะการบรรลุธรรมะมีสองส่วนคือต้องอาศัยบา ร, รมีที่สะสมในอดีต การประโยคะาในปัจจุบันถ้าบา ร, รมีในอดีตสังสมมาจะเต็มแต่ว่าประโยค้าวิบัติก็ไม่บรรลุเหมือนกันหรือว่าประโยค่าดีมากเลยแต่บา ร, รมีไม่เต็มก็ไม่บรรลุเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเจริญไตรสิกขาของเราเมื่อยังไม่บรรลุจะสะสมเป็นบา ร, รมีนะแต่ว่าบา ร, รมีนั้นกว้างนะแต่ว่าสงังเคราะห์แล้วก็คืออยู่ในไตรสิกขานี่แหละ มันก็เพื่อจให้เห็นโทษของการเกิดนะจึงแสดงเรื่องของการเวียนว้ยแต่เกิดแล้วก็เรื่องการที่มีพ่อแม่พี่น้องอะไรมากมายเหล่านี้นี่มันคำเติมครับจะมีหรือเปล่าไม่มีเกี่ยวกับปัญหาถามที่บอกว่า พระธรรลัดผู้ที่ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบิดาใช่ไหเป็นต้นไม่ใช่ไม่ใช่มีได้ง่ายหมายความว่าอย่างไรอันนี้อันนี้ก็บ่งบอกที่ถึงถึงความที่เกี่ยวข้องกันในสังสารวัตรยอมก็มองมองมอ ง, มองกันดยในะที่นั่งนกันอยู่ตรงนี้ี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าหยิบประเด็นเอามาคุยบางเรื่องต้องต้องคิดให้ดีนะอย่างยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดพราไปทักทาไปทักโยมเนี่ยเห็นโยมมีฐานะมากมากเออเนี่ยเคยเป็นแม่มอสนี้อันนี้ยงกันในเนี่ยใตรงนี้นะแต่พอเห็นขอทานข้างถนนไม่เคยบอกว่าทุนี้เป็นแม่เลยเนี่ย น, น่าคกีดตอเนี้ยตรงนี้จริงๆพระพุทธเจ้าต้องการชี้เห็นเพราะพระพุทธเจ้ามีมีอยู่ ตอนที่พบพบรมนสตวจะตัตรู้ั้ยแล้วพระเจ้ามีพยานอยู่ยันที่บอกว่าจุดตูประปาทยานเรานั้นเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุตติคือตายกำลังอุบัติคือเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรารู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าท่านทั้งหลายสัตว์ที่ประกอบไปด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต กล่าวให้รา้ายภริยะมีความเห็นผิดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงทุคติใช่ไหมเท่าหึงอบายทุคติวิธิบัตนรกแล้วพะพเดจ้าก็บอกเรานั้นเห็นหมูสัตว์ที่กําลังตายกําลังอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยนะที่งามและไม่งามเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิน์นะเหนือมนุษย์เรารู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าท่านทั้งหลายสัตว์ที่ประกอบไปด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ไม่กล่าวว่าร้ายภริยาทั้งหลายมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้กระทาตามความเห็นชอบเหล่านั้นพวกเขาเบื้องหน้าแต่แตายเพราะกายแต่ก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พทธเจ้าก็รู้จากโคตรตระกูลเลยต่างบุคคลอะไรต่าง ท, ง, ทงทั้งเบ็ดเสร็จหมดเลยใช่ไหมฉะนั้นพระบรมศาสดามีทิพยจักษุเนี่ยมีตาทิพยเนี่ยพระองค์ก็รู้ถ้าถามบอกว่าพุทธญาณของพระบรมศาสดาที่ใช้คําว่าโลกธาตุมีเท่าไหร่พรยานก็มีเท่านั้น พยานมีเท่าไหร่โลกาธาตุก็มีเท่านั้นโลกาธาตุกับพยานนั้นมีความสมดุลกันและกันด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นในชั้นของว่าพยานของพระบรมศาสดาก็ตรวจสอบในกระแสของขันของสัตว์ทั้งหลายในสากลาจักรวาลทั้งสิ้นนะจ๊ะ ใ, ในโลกทั้งสิ้น ที่จะพูดถึงในด้านของเขตของพระบรมศาสดาในชั้นของชาติเขตหมื่นจักรวาลอนาเขตแสนโกจักรวาลแล้วก็วิสัยเขตหาประมาณไม่ได้เนะี่ยพยานของพระบรมศาสดาก็กระทบทั้งโอกาสโลกทั้งสัตวโลกและสังขารโลกนั่นก็แปลพยานของพระพระบรมศาสดานะั้นตรวจสอบไปสิถามว่าสิ่งต่างๆตรงนี้เราจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยความมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว ทำไมเราต้งเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเพราะเราศึกษาคำสอนมาดีแล้วก็ตรวจสอบแล้วว่าเออเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นแบบเบสเซ็ตก็เลยมีพุทธพจน์ ท, ที่บอกว่าที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยฐานะที่ใช้คําบอกว่าผู้ที่ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบิดาเป็นต้นไม่ใช่ไม่ใช่มีได้ง่ายเนะนี่ยเนี่ยตรงเนี้ก็หมายความบอกว่าเราท่านทั้งหลายนั้นเคยเกี่ยวข้องกันในสังสารวัตมามากมายถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยให้สังเกตดูว่า ในในการที่เราเคยเกี่ยวข้องกันอย่างมากมายแต่ในปัจจุบันในพบเนี่ยด้วยสติสัมปชัญญะของพวกเราเนะี่ยสั้นมากแล้วก็ระลึกอะไรก็ไม่เยได้ถ้าเรามองดูคนใกล้ๆที่กำลังนั่ ง, น, งนั่งกันอยู่เราไม่มีความคุ้นเคยเลยใช่ไหมว่าท่านพวกนี้เคยเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแสดงเห็นชัดว่ความคุ้นเคยมันหายไปหมดแต่บางท่านก็อาจจะเหลือบางนิดๆหน่อยๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราดูจากในชาดกก็ดีในพระสูตร ต, ต่างๆ ในเรื่องราวต่างๆที่กล่าวถึงในการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันแ ล, นแล้วก็จะเห็นโทษเห็นโทษของสังสารวัฏอย่างที่ทั้งนันจานสันติพูดมาว่ากรณีของการที่ว่าเหมือนอย่างที่เคยเคยนํามากล่าวณสถานีที่ตรงนี้ได้สร้าไปที่บอกสามีกับภรรยาแล้วอยู่ต่อมาภรรยาก็ไปคบชูไปคบกับน้องชายของสามีแล้วต่อมาก็ให้น้องชายของสามีมาฆ่าใช่ไหมมาฆ่าของพี่ชายตนเองที่ท่าน้ําแล้วก็ตัดซื้สารแล้วก็ แล้วก็ตายแล้วก็จับโยนลงน้ําแล้วต่อมาฝ่ายสามีนั้นก็ยังอะไรรักในภรรยาด้วยความอะไรรักในภรรยาก็มาเกิดเป็นใช่ไหมออมาเกิดเป็นที่เราเกิดเป็นงูเขียวหรืที่อยู่ในบ้านหลังนั้นพอโตขึ้นมาหน่อยก็ภรรยาไปที่ไหนก็โดดใส่ตลอดเนี้ยภรรยาก็เลยสั่งให้ฆ่าอีกพอฆ่าจะกลายเป็นงูเบียเศ็ตก็มาเกิดเป็นสุนัขนี้เห็นไหมเนะี่ยแล้วก็ถูกฆ่าอีกจากสุนัข ก, ก็มาเกิดเป็นวัวลูกวัวในนั้นะ แล้วก็ถูกฆ่าอีกต่อมาก็มากลายเป็นลูกในท้องอย่างเงี้ยนะพอคลอดออกมาด้ว ย, ด, วยด้วยมีด้วยมีสัญญากล่าวก็สามารถที่จะระลึกได้โอ้ท่านคนนี้ไม่ใช่แม่เป็นเพชฌฆาติพแล้วก็ไม่ให้แม่จับพอโตขึ้นมาพอพูดขึ้นได้ก็บอกกตาว่าตา ก, ก็ถามว่าทาไมไม่ให้แม่จับนี <c> ่ <oughs> ก็บอกไม่ใช่แม่เราเพชฌฆาตเนี่ยฆ่ามาหลายภพชาติแล้วก็เลยพาก็ตาก็ร้องไห้ทั้งทั้งตาและและหลานก็ร้องไห้ก็พาก็ร้องไหก็พาบวชก็บรรุเป็นพระทหารอย่างนี้ก็ลายหนึ่ง ถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่า น, นี่ไงที่เคยไม่เกี่ยวไม่เคยเกี่ยวข้องกันเนี่มันจะเป็นไปลักษณะนี้แต่สังสารวัตรในความยืดยาวของสังสารวัตเนี่ยมันก็ทําให้พวกเราเนี่ยตอนนี้ก็จํากันไม่ได้แล้ ว, พวเพือเพก็อยากจะปะทุสลายกันโดยซ้าไปฉะนั้นความทิจิตที่จะมีความถ้าเรามีความรู้สึกที่ว่าโอ้ท่านผู้นี้เคยเหมือนกับพระใช่ไหมถ้าจะไปมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับยมที่มีความรู้สึกโอ้โหท่านผู้นี้เราเคยกินนมท่านผู้นี้มาอย่างยาวไกลในสังสารวัต กินน้ำนมมาเป็นเคยเป็นแม่เรามาอย่างสังสารในสังสารวัฏอย่างยาวไกลมันสลดสังเวช ท, ที่เราจะไปเกิดราคะทางใจก็มันก็ขดขายทันทีฉะนั้นการเชื่อมโยงถ้าเรารู้จักคําว่าสังสารวัฏความไม่ความเกี่ยวข้องกันในฐานะความเป็นบุตรเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันมาเนี่ยมันก็รู้มีความรู้สึกว่าความรู้สึกอยากจะเคารพกันก็มากขึ้นแล้วอย่างหนึ่งการที่เราจะเดินเมตตากายกรรมใช่ไหมกระทาอะไรก็ทำด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลัง เมตตาวจีกรรมมีความรักปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนก็ชัดขึ้นทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมคี้ต่อกันก็คิดด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังก็หลักการนี่ว่าในสังขาวัตถุที่ใช้คําว่าทานปิยาวาจาอัตถจริยาสมานะตาก็จะชัดขึ้นในสภาพสังคมก็มีการยึดโยงแล้วก็ง่วงเหนี่ยวกันในชั้นของคําสอนที่มีเมตตาเป็นตัวเชื่อมในการยึดโยงกันชัดเจนมากขึ้น แต่ด้วยการที่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เห็นพุทธพจน์ตรงนี้ที่ทางอาจารย์สพุพลพงศ์ถามมาเนะี่ยว่าเออจริงๆความเกี่ยวข้องกันในฐานะเป็นพ่อและแม่หรือเป็นสามีภรรยาเป็นเป็นบุตรภรรยาเป็นต้นนี้ถ้าเข้าใจคําสอนตรงนี้สังสารวัตตรงนี้หนึ่งความยึดโยงในชั้นของการอยู่ด้วยกันก็ไม่เบียดเบียนกันกระชัดประการต่อไปก็คืออย่างที่ทางท่านอาจารย์สันติพูดมาก็คือว่าเข็นโทษของสังสารวัตว่าสังสารวัตรมันมีภัยมาก และาศาสนาของพระชินเจ้าหรือศาสนาของพระบรมศา ส, าศาสดาในเป็นธรรมที่เครื่องป็นเครื่องนำออกจากวัตทุกข์นะเราก็จะไม่ลืมตนกันแล้วก็จะเล่งขวนขวายในการที่จะประกอบในการเจริญกุศลนี่ยิ่งยิ่งกันไปถ้าทํานี้ก็จะชัดเจนขึ้นท่านบ่ามีอะไรเพิ่มเติมพี่บไม่มีเพิ่มเติมก็จะสรุปประเด็นทีเฉยว่า จากท่านอาจารย์ทั้งสองได้ให้คําตอบไปก็คือการพูดคํานี้ก็มีความหมายบอกให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเคยเป็นแม่มดนยมอย่าว่าแต่แม่มดแม่ยงุงแม่เขาแม่มัดแม่เลนเราเคยเป็นทั้งนั้ น, อนยอมบอกให้เห็นชีวิตอย่าหลงอย่าหลงอย่าหลงตอนนี้ยอมอย่าหลงที่ปัจจุบันเนี้ย ให้มองกว้างๆมองยาวๆแล้วก็ให้สลดใจว่าโอ้มันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารแล้วโดยมากมันก็อยู่ในอบายนะะแสดงว่าถ้ามีคนว่าโยมว่าเป็นแม่มดแม่อะไรก็ไม่ต้องโกรธก็ได้นะเพราะเราก็คงจะเคยเป็นแม่มดหลายชนิดมดดามดแดงมดตะน่อยมดสารพัดชนิดนะก็ประเด็นก็คือที่ท่านว่าอาจารย์ได้พูดถึงก็อ่าคํานี้มี วความหมายดังนั้นแหละนะแล้วก็ประโยชน์ของคํานี้ก็ให้เอาไปใช้ยังไงพิจารณาเห็นความสลดใจแล้วก็เจริญพุทธคุณก็ได้ใช่ไหมยองจะได้เห็นกําลังปัญญาของพระเจ้าแม้สิ่งที่เป็นแบบนี้อยู่โดยปกติคือมันตามหาจุดเริ่มต้นไม่เจอเนี่ยปัญญาของพระเจ้าก็รู้ได้ว่ามันไม่มีจุดเริ่มต้นในขณะที่ให้พวกเราคิดเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะไปตั้งต้นคิดที่ตรงไหนงนั้นเจริญพุทธคุณได้เจริญเมตตาได้ไหม ได้นะเวลายุงมากัดเราไอโยงตัวเนี้เราคงจะเคยเคยเป็นแม่ที่ให้ให้เราดื่มนมด้วยเมตตาจิตมาแล้วจะเป็นไรไปถ้าเราจะให้เขากินเลือดไปสักนิดหนึ่งใช่ไหมยอมนะเอ้าก็ท่านบอกว่ายงโยงก็เคยเป็นแม่เราอะสแสดงว่าเขาคงเคยเกิดเป็นคนใช่ไหมยอมแล้วเราก็ได้ดื่มนมจากอกเขาด้วยอนุเคราะห์จากเขาแน่ ก็เจริญเมตตาเนี่ยอันนี้เป็นอุบายในเมตตากรรมาฐานอย่างหนึ่งที่จะเอาไว้ระงับความโกรธนะแต่พระพุทธเจ้าไม่ให้ใช้ในเรื่องของการแสวงหาอย่างที่ท่านอาจารย์พูดาพระไปเที่ยวทักโยมนะแม่ไปหมดเลยนะอันนี้ก็ไม่มีแนะนำให้ใช้หรอทั้งๆ ท, ที่ความจริงเป็นอย่างนั้นนะแต่พระเจ้าไม่แนะนำให้ใช้ในให้ใช้ในแง่ของการเจริญกุศลนะก็สรุปก็คือให้เห็นความน่าสลดใจของวัตสงสาร จเจริญพุทธคุณได้จเจริญเมตตาได้ก็คงแค่นี้หลยก็ได้ทราบเหตุผลนะครับที่ท่านอาจารย์อธิบายมานะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทาให้เห็นว่าสังสารวัตรนั้นเป็นเรื่องที่หาเบื้องต้นไม่ได้นะครับว่าเบื้องต้นของเรานั้นเกิดเริ่มตั้งแต่ตอนไหนเพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้องกันในสังสารวัตเนี่ยก็ย่อมมีแน่นอนนะครับ ตรนี้นะครับจะทําให้ใจยอมรับได้อย่างไรครับอาจารย์ตรงนี้สําคัญนะคือมันเหมือนว่าเราเชื่อเชื่อพยานพุธเจ้าแต่ว่าจะทํำยังไงให้เราใจยอมรับว่านี่เขาเป็นแม่เราจริงๆนะในชาติก่อนเนี่ย <c oughs> แต่ดานนี้อีกอ่ะเขาทําร้ายเราอยู่เงี้ยนะครับจะให้เรายอมรับเ่านี่เขาเป็นแม่จริงๆเนี่ยอาจารย์มันมีอุบายอะไรยังไงที่จะให้เรารู้สึกอย่างนั้นได้จริงๆครับ หรืยุงกำลังกัดเงี้อย่างที่ท่านอาจารย์บอกอะก็ใช่อันอดีตเป็นแม่แต่ว่าในปัจจุบันนี้เล่นงานเราอยู่อะที่จริงที่จริงประเด็นตรงนี้ท่านมหาสุพลต้องตอบเนื่ว่าไม่น่าเปิดประเด็นนี้ใชเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาก็พยายามจะไม่พูดลงไปถึงยุงนะพยายามคิดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยว่าจะต้องมีคนถามเรื่องยงเป็นแม่แล้วก็จะต้องมีปัญหาถ้าอย่างนี้ต้องเพื้องตัวหน่อยดีๆไหมเนี่ยจะทําไงให้ใจยอมรับใช่ไหม ว่จริงๆก็พยายามนึกๆอยู่เหมือนกันว่าเออถ้าหากตอบว่ายุงก็เคยเป็นพ่อเป็นแม่เราหนอนในสุ่มก็เคยเป็นพ่อเป็นแม่เรานี่อันนี้ถ้าพูดอย่างนี้ก็จะโอ้แล้วแล้วจะทำยังไงตรงนี้ก็อลองเปิดเป็นลองตอบประเด็นตรงนี้นิดนึงอาจารย์เจอห้องไหนครับอาจารย์โอ้ให้เราได้บุญเยอะเลยเนี่ย <laughs> อือก็กราบมุตนา ด, ด, าด้วยนะครับ ก็ถ้าลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าเราไม่เชื่อกุศลเราจะเจริญไหมเรายังมีโอกาสในการจะออกวัตฏะมากไหมในเมื่อพระาศาสดาทแท้ๆเนี่ยนะเรายอมรับนับถือว่าเป็นาศาสดาของเราเนี่ยตรัสด้วยสัพพันยุตยานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามียไอยสวนิสการว่านี่เป็นคำสอนว่าสัมมาสุตจ้าอย่างหนึ่งแล้วเกิดเรามี กรรมสกตายานมีการเชื่อกรรมและผลของกรรมเนี่ยนะก่อนหน้านั้นมาเนี่ยจากโลกนี้เรามาจากไหนนะเราก็คงจะต้องมาจากโลกอื่นใช่ไหมแล้วเราจะเป็นบุคคล น, นี้หรือเปล่าก็คงไม่ได้เป็นบุคคล น, นี้นะเราอาจจะเกิดมาจากเทวดาก็ได้หรือว่าอาจจะสัตว์เดรัจฉานก็ได้ยุงนี้ก็เหมือนกันหนอนนี้ก็เหมือนกันในอดีตชาติเขาก็คงจะเกิดมาจากเทวดาก็ได้มนุษย์ก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้ โนะยมเคยได้ยินเรื่องของนางลูกหมูไหมนางลูกหมูนั่นมาจากพรหมมาโลกนะแต่ก่อนหน้านั้นนี่นะไปเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วก็ไปไปมาๆก็มาเกิดเป็นลูกหมูนะหลังจากนั้นก็ไปเกิดในลังกานะเวยนไปเวยนมาก็ไปเจอพระอรหันต์ท่านหนึ่งท่านก็ทักมานะท่านก็บอกกับพระบิณุที่ตามท่านมาบอกดูสินางลูกหมกูมาเกิดที่นี้ได้ด้วยนะ เท่านั้นเองอะ่ะผู้หญิงคนนั้นก็เลยสะกิดใจเนาะเอ๊ะใครเนี่ยมองไปทางไหนก็ไม่มีมีแต่เราเท่านั้นเองเนี่ยนะ